เกิดมาจากโคลนต้งเมื่อผลโผร่อบน้ำมาเป็นดอกไม้บูชาคงค่าคุณแห่งดอก บ, บัวในสายธานแห่งการไหว้วนผู้คน มุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลองเปรียบดังดอกบัวนั้นนาว่าจะพลพ้นมาอยู่เนื้อทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนไหว้วน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 เราทุกคนเปรียบเหมือนนอโบวเกลือกลัวคล้าโคลนกิเลสมายา <mm> เวียนวายลุ่มหลงเวียนวนวัา ต, ต่สงสารกว่าจะพลพบนกรรมสายน้ำเวียนทุกระธม มีพระหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวเลียบานพ้นน้ำสว่างสวัยแม่ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใยพระทําคือทางไว้ให้ลูกหลานเด็กตามร้อยบัว ชาปรมามหาบัวแหวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เหนือนานจะเป็นบัวงามเดินตาม